อเจรลิศพรโยมวันนี้หลวงพ่อไม่สบายนะนี่ถ้าเป็นโยมนะลาลาป่วยไปและเป็นพระนะป่วยก็ไม่ได้นะอแก่ก็ไม่ไม่มีกระเสือนอีกเมื่อก่อนอยู่บางการมีวันหนึ่งไปบินธบาตโยมคนหนึ่งเข้ามาใส่บาทนะเขาป่วยเรื่อยๆขอตักโกครคภัยไข้เจ็บใส่บาทหลวงพ่อไป นะอีกวันหนึ่งเราไม่สบายไปนะตอนนั้นครูบาายังไม่บวชบาอาไปบอกชาวบ้านหนะ่ยวันนี้ไปไม่ไหวแล้วนะไปบอกผู้หญิงคนนี้นะแค่อุทานด้วยความตกใจเอ๊ะพระก็ป่วยได้เหรอนะจะเห็นพระเป็นมนุษย์ประหลาดลยแนละ้วนะนี่ชีวิตเรามันไม่มีแต่ความไม่แน่นอนนะ แข็งแรงอยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจรก็ป่วยไปล้นะชีวิตเรานี่มีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะโลกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาพวกเรามหาตภาวนาเนี่ยเพื่อมาเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของโลกชีวิตเราหรือโลกนี้มันก็มีแต่ความเจริญแล้วก็เสื่อมนะมีราบแล้วก็เสื่อมราบมียศแล้วเสื่อมยศ มีสรรเสริญแล้วก็มีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์ไม่มีใครหนีพ้นนะกระทั่งพระพุทธเจ้าของเราอย่างคนจะนินทาท่านก็มีนะคนสรรเสริญท่านก็มากอนะไรเงี้ยเอาได้เอานอนไม่ได้หรอกบางทีท่านก็ต้องเจ็บป่วยเหมือนกันบางครั้งท่านก็ไม่สบายฉะนั้นะยังมีกายมีใจก็ยัเรียกว่ายัางอยู่กับโลกเมื่ออยู่ในโลกเนี่ยโลกธรรมคือความจริงของโลกก็จะบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลา สุขได้ก็ทุกได้นะมีสารเสริญได้ก็มีนินทามีผลประโยชน์ก็เสียผลประโยชน์อะไรเนี่ยมีสุขมีทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่มีหรอกไอ้ที่จะได้ข้างเดียวมีลาบยศสารเสริญสุขอย่างเดียวไม่มีเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงพวกเราที่มหัดภาวนาเนี่ยไม่ใช่มหัดเพื่อว่าจะได้มีลาบมากๆ ไม่เสื่อมสียีนะมียศบางคนมาไหว้พระขอตําแหน่งอะไรเงี้ยขอให้ได้ยศอย่างโน้นอย่างนี้นะมันมันได้มามันหนึ่งมันเสียไปนะเมื่อก่อนเคยได้ยินเรื่องหลวงพ่อเที่ยงหลวงพ่อเที่ยงอยู่วัดม่วงชุมที่เมืองการท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังสมัยนั้นใครจะปลูกเสกพระตอนนี้มนหลวงพ่อเที่ยงมา นี่ทางวัดสุทัศน์หรืออะไรจําไม่ได้ละเขาที่มนต์มาทหารเขาทําพิธีพุทธาพิเศษอะไรเงี้ยพอทําพิธีเสร็จนะทหารคนหนึ่งก็ไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมเป็นพันเอกมานานแล้วไม่ได้เป็นในพลสักทีขอให้ผมได้เป็นในผลทีเถอะครับท่านบอกโง่อย่างเงี้ยถึงไม่ได้เป็นอยากเป็นในผลไม่ไปขอนายมาขอพระทําไมต้องสมเหตุสมผลนะพวกนี้ท่านสมเหตุสมผลจริง ถ้าเป็นในปณ์ตอนนั้นตอนนี้ก็กเกษียณแล้วนะก็ไม่ได้เป็ี่ยนลเพราะนั้นะทุกสิ่งทุกอย่างเราเนี่ยนะมันเป็นของที่มีอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานี่เป็นแค่ของชั่วคราวถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้เราจะไม่ทุกข์อย่างเรายอมรับความจริงได้ว่ามีลาบแล้วก็ต้องเสื่อมลาบเนี่ยเวลาไม่ได้รับผลประโยชน์ขึ้นมานะก็ไม่กลุ่มใจเท่าไหร่มันยอมรับความจริงได้ รวยขึ้นมาใช่ไหมถ้าฟองสบู่แตกจนลงมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเนื้อชีวิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรายอมรับได้เราไม่ทุบร่างกายแข็งแรงอยู่วันนี้ป่วยไปแนละ้วถ้ายอมรับไดนะ้ก็ไม่ทุกมากเท่าไหร่อย่าบางคนนะหมอไปตรวจร่างกายประจำปีตรวจร่างกายประจำปีเป็นมะเร็งขึ้นมานะมีความทุกข์นะถ้ายอมรับไม่ได้อนะ่ะอยากจะแข็งแรงตลอดกาล เพราะั้นมันอยู่ที่ใจเรายอมรับความจริงได้ไหมว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละได้มาก็เสียไปนะจเจริญแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมชาตินี้ทำยังไงเราจะค่อยๆพัฒนาใจของเราให้ยอมรับความจริงของชีวิตได้อันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมล่ะถ้าเราปฏิบัติธรรมนี่ก็คือเรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียนรู้ไปจนวันหนึ่งยอมรับความจริงไดนะ้ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ถ้ายอมรับความจริงตัวนี้ได้ความทุกข์ก็จะค่อยๆหายไปนะการปฏิบัติธรรมก็คือการมาเรียนรู้นะความจริงของชีวิตนะเราไม่ต้องไปเรียนที่อื่นนะเรามาเรียนอยู่ที่ตัวเราเองที่กายที่ใจนี่แหละสําคัญที่สุดนะเพราะเวลามีลาบใครมีลาบเน่มันก็ตัวเรามีลาบเวลาเสื่อมลาบใครเสรื่อมละ่ะก็เราเสื่อมลาบใช่ไหมมียศก็เรามียศใครเสรื่อมยศละ่ะก็เราเสื่อมจากยศอีก คนนินทานินทาใครนินทาเราสารเสริญใครสารเสริญเราอีก是是มีความสุขใครสุขเราสุขเห็นไหมมีความทุกข์ใครทุกข์เราทุกข์อีกเนี่ยถ้าเรามาเรียนความจริงนะจนกระทั่งเห็นความจริงว่ามันไม่มีเราหรอกไม่มีเราแล้วมีไหมการการเสรื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์มีไหมมีอยู่แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะไม่มีเรานะว่าเราจะฝึกนะฝึกจิตฝึกใจเรียนรู้ความจริงสิ่งที่เรียกว่าเราก็คือกายกับใจนี้แหละ เรามาคอยเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากๆความจริงของกายของใจมันจะสอนให้เราเห็นเองว่าทุกอย่างนี้ชั่วคราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ก็ชั่วคราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตใจนี้ก็ชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปวันหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างนะกระทั่งสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในกายในใจนี้ยังชั่วคราวเลย พอมันไม่ไม่ค่อยยึดถือกายยึดถือใจแล้วของอื่นๆภายนอกก็เรื่องเล็กไปด้วยน ะ, ะกระ ท, ทั่ง ก, กายาจจยังไม่ยึดถือเลยไปยึดถือของข้างนอกกายทำไมไหมกระทั่งจิตใจยังไม่ยึดถือไปยึดถือของนอกจากจิตใจทําไมก็ไม่ยึดถืออะไรความทุกข์ก็ไม่มีหรอกความทุกข์ก็ลดลงลดลงนะนี่การจะมาเจริญปัญญาเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของกายของใจเนี่ยอยู่ๆจะมาเจริญปัญญานี่มันทํายาก ถ้าพวกเราปรารถนาที่จะเจริญปัญญาเนะีเราก็ทําตามหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไวนะ้สําหรับคารวะเนี่ยท่านสอนทานศีลภาวนานะถ้าสอนพระเนี่ยท่านมักจะสอนศีลสมาธิปัญญาคนะารวะเราเป็นคารวะนะเราเรียนเรื่องทานก่นทานไม่ใช่แค่การเสียสละทรัพย์สินเงินทองเข้าของอย่างเดียวหรอกนะ อันนั้นทำไปก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อสงเคราะห์คนอื่นเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดความเมตตานะพัฒนาจิตใจให้ลดความตรณีลงทานไม่ต้องเสียสตังก็มีเยอะแยะเนะช่นคนด่าเราเราอาภัยให้เขาไม่โกรธเขานะใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาเห็นหอาภัยได้อาภัยได้จิตใจมีความสุขใครเคยโกรธคนอื่นนานๆหมเวลาโกรธแล้วไม่มีความสุขนะ ถ้าเราอาัยไ ด, ได้เรามีความสุขอย่างคนมาด่าเรานะเราไม่โกรธตอบนะอาัยได้นะโอ้น่าสงสารนะโคงจะคอแห้งแน่เลยด่าเรานานแล้วน่าสงสารนะอย่างนี้พอเราใจมีสงสารขึ้นมานะใจไม่โกรธตอบนะใจมีความสุขเห็นไหมเอาัยได้ก็มีความสุขนะอย่างเรามีความรู้เรามีความสามารถอะไรคนอื่นเขาไม่มีเราสงเคราะห์เขาเราให้ความรู้นะบอกให้ความรู้เขาให้วิชาการเขาอะไรอย่างนี้ อันนี้เรียกว่าธรรมทานนะอย่างเขาไม่มีธรรมะเราให้ธรรมะเขาทำมาหากินไม่เป็นเราก็สอนวิธีทำมาหากินให้อนะไรย่างนี้อันนี้เป็นการให้ความรู้นะเมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะชื่ออะไรลุงเผาไขอาชีพอย่างนี้เขาก็ทำประโยชน์นะเขาก็ไปหาวิชาความรู้มามาสอนคนอนะคนนื่นอะไรย่างเงี้ยคนอื่นก็เอาวิชาความรู้ไปทำมาหากินได้อย่างนี้มีประโยชน์ในชะ่ ใครเคยเรียนหนังสือแล้วก็เจอเพื่อนที่ห่วงเลคเชอร์มีไหมว่ามันห่วงจริงๆนะขอไปซีหลอกหน่อยหนึ่งก็ไม่ให้แนละ้วเนี่ยพวกนี้ไม่รู้จักทำให้ความรู้คนอื่นเลยนะถ้ารู้จักให้นะชีวิตมีความสุขถ้ารู้จักให้แนละ้วได้เพื่อนนะได้เพื่อนลดอะไรลดความเห็นแก่ตัวลงนะเพราะฉนั้นเนี่ยเรื่องทำฐานนะทำได้หลายแบบไม่ใช่ต้องเสียเงินอย่างเดียวหรอกไม่มีตังก็ยังทาได้ เขามีกิจการอะไรลำบากนะกิจการสาธารณะทั้งหลายไม่มีเงินนะไปออกแรงช่วยเขาก็ยังได้นี่ก็ทําทานเหมือนกันใช่ไหมดงนั้นทําสิ่งเหล่านี้แล้วเราได้อะไรเราได้ความสุขได้ความสงบใจได้เพื่อนนะได้ลดละความเห็นแก่ตัวลงเป็นการขัดเกลากิเลสหยาบๆเพราะควรเราเห็นแก่ตัวอย่างไร้ายแรงเสมอแหละนะค่อยๆเสียสละไปเสียสละไปก็ลดความเห็นแก่ตัวลงนะถัดจากนั้นเราต้องมาถือศีลให้ดีนะ คือไม่ใช่ถัดจากนั ula, okay, ้นห ouais. รอกพร้อมๆกันนั้นแหละก็ต้องถือศีลไปด้วยศีลคืออะไรศีลคือการจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบชีวิตให้มันสงบสุขคนมีศีลนะจิตใจจะสงบสุขถ้าคนไม่มีศีลจิตใจจะวุ่นวาย่เราคิดจะฆ่าใครนะจิตใจจะวุ่นวายเราเมตตาคนอื่นนะจิตใจสงบสุขเราคิดจะขโมยเขาเวุ่นวายนะเราคิดให้เขาเนี่ยเราไม่วุ่นวายมีความสุข นะเราซื่อสัตย์ในคู่ของเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไหมเราไม่ซื่อสัตย์มันก็วุ่นวายมีปัญหาอะไรต่ออะไรเ ย, ะ ย, ะยะอะแยะเลยเราโกหกเราก็ต้องใช้ความจำมากไหมถ้าเราพูดความจริงไม่ต้องใช้ความจำมากแล้วนะเรามีศีลเนี่ยเพื่อจัดระเบียบชีวิตให้มันสงบสุขชีวิตที่มันเรียบร้อยชีวิตที่ไม่วุ่นวายยุ่งเหยิงเป็นชีวิตที่พร้อม ก, กับการที่จะพัฒนาจิตใจในขั้นต่อไปการพัฒนาจิตใจเรียกว่าการภาวนานะ พัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปสําหรับค า, ารวะเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนมานะร า, วารวะเนี่ยวิธีที่จะภาวนาที่ง่ายๆนะมีสติรู้ทันจิตของเราไปนะถ้าเราเห็นจิตมันขยับยเยื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตสุขจิตทุกขจิต ด, ดีจิตชั่วนะเราคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะจิตจะค่อยๆสงบจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมา จิตแต่เดิมไหลตลอดเวลาพอเรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะเนื่อก่อนที่จะไปเจริญปัญญาแท้ๆเลยต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนวิธีที่จะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายๆนะก็คือรู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตที่ขยับเยื่นเคลื่อนไหวไหลไปโน้นไหลไปนี้ไหลไปดูไหลไปฟังไหลวิคิด ถ้าเรารู้ทันนะจิตเขาจะตั้งมั่นขึ้นช่วขณะจิตที่ตั้งมั่นนี่ว่าจิตมีสัมมาสมาธินะเพราะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตเนี่ยเห็นจิตที่ขยับไปเยื่นไปนะจิตจะตั้งมั่นจะได้สัมมาสมาธิได้จิตใจที่อยู่กันเนื้อกับตัวนี้บางคนก็ต้องมีเครื่องช่วยเพราะจิตนี่มันชอบหนีเครื่องช่วยก็คือเรียกเรียกว่าวิหารธรรมวิหารธรรมเป็นบ้านของจิตจิตนั้นโดยธรรมชาตินั้นท่องเที่ยวไปตลอดเวลาตามยากรู้เห็นได้ยาก เราก็มาดูหาวิหารธรรมอย่างหนึ่งของจิตเช่นจะอยู่กับพุทโธก็ได้คนไหนเคยฝึกพุทโธก็อยู่กับพุทโธคนไหนเคยฝึกรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปคนไหนเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องผ่องยุบคนไหนเคยขยับมือแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปดูสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยเรอยได้ว่ามีวิหารธรรมแต่ไม่ใช่ไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านี้วิหารธรรมแปลว่าบ้านวิหารธรรมไม่ได้แปลว่ากุก บ้านหมายถึงที่อาศัยของจิตเช่นเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วจิตมันอยู่ที่ไหนเราคอยรู้ทันเช่นจิตมันไปรวมอยู่กับพุทโธเรารู้ว่าจิตไหลไปรวมกับพุทโธจิตไปคิดพุทโธเรารู้ว่าจิตไปคิดพุทโธจิตลืมพุทโธหนีไปอยู่ที่อื่นเรารู้ว่าจิตหนีไปอยู่ที่อื่นแม้เรามีพุทโธเป็นเครื่องสังเกตเท่านั้นเองเป็นเครื่องสังเกตจิตใจที่มันขยับกระยื่นเคลื่อนไหวหนีไป ถ้าไม่มีพุโทโธนะจิตมันก็ร่อนเร่ร่อนเร่ดูยากถ้ามีพุโทโธเป็นที่สังเกตเป็นแลนด์มาร์กไว้นะจิตไปอยู่ที่พุโทโธก็รู้จิตหนีไปอยู่ที่อื่นก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจิตขยับนิดเดียวเราก็มองเห็นละพอจิตขยับตัวเรามองเห็นนะจิตก็จะสงบจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมานะหรืออย่างคนรู้ลมหายใจบางคนชอบรู้ลมหายใจหายใจไปนะเอาลมหายใจเป็นวิหารธรรม ตัวที่เราจะดูก็คือจิตนั่นเองแต่เอาลมหายใจมาเป็นเครื่องสังเกตจิตเช่นหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหายใจไปแล้วจิตไปเพ่งนิ่งๆทื่อๆอยู่กับลมหายใจก็รู้ทันว่าจิตเข้าไปเพ่งแล้วหายใจไปจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหลงไปละเป็นการสังเกตนะเอาลมหายใจมาเป็นที่ตั้งเป็นแลนด์มาร์ จิตเคลื่อนมาที่นี่ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้ในที่สุดจิตขยับนิดเดียวเราก็เห็นนี่ใช้หลักอันเดียวกันทั้งหมดเลยในการปฏิบัติเบื้องต้นจะดูท้องพองยุบ ก, ก็ได้นะดูท้องพองยุบไปเห็นท้องมันพอเห็นท้องมันยุไปนะพอจิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งท้องเราก็รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันจิตมีความสุขจิตเป็นไงรู้ทันลูกเดียวรู้ทันจิตนั่นเอง การที่เราคอยรู้ทันจิตนี่แหละจิตจะค่อยๆสงบค่อยๆ ย, ยตั้งมั่นขึ้นทีละน้อยๆ น, น, นะในสุดจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวได้พอจิตใจเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไป น, นี้ก็เป็นขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานะว่าง่ายๆก็คือหัดแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนั่นเองนะค่อยๆหัดไปเช่นเราหัดพุโทโธพุทโธนะเราก็ค่อยๆสังเกตไปว่าพุโทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า จิตคือคนที่ท่องพุทโธจิตกับพุทโธเป็นคนละอันกันพุทโธเป็นอะไรพุทโธเป็นความคิดความคิดกับจิตนี่คนละอันกันค่อยๆสังเกตไปอย่างนี้นะบางคนรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจออกหายใจเข้ารู้อย่างนี้อยู่ค่อยๆแยกธาตุแยกขันไปเห็นร่างกายที่หายใจนี่อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจเป็นอีกส่วนหนึ่งนะค่อยๆแยกกายแยกใจแยกธาตุแยกขันไป หรือบางคนดูท้องพองยุบนะก็เห็นท้องมันพองท้องมันยุบจิตเป็นคนดูเนี่ยท้องมันพองท้องมันยุบนะไม่ใช่เราพองเรายุบหรอกท้องมันพองท้องมันยุบจิตเป็นคนดูนะนี่ค่อยๆแยกอย่างนี้นะบางคนมาหัดดูจิตนะเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็โลภก็โ ก, กรธก็หลงวิธีที่จะหัดแยกมันก็คือค่อยๆสังเกตไปสบายๆจิตที่มีความสุขนะความสุขก็ไม่ใช่จิตความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ความสุขเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งแปลกปลอมขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมผ่านมาชั่วครั้งชั่วคราวนะโรคหลอดหลงนะก็เป็นของแปลปลอมชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่จิตหรอกจิตคือคนที่ไปรู้มันเข้านี่ค่อยๆฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะในที่สุดเราก็จะเห็นในร่างกายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะ กุศลน้ากุศลทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆฝึกอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเราค่อยๆฝึกอย่างนี้มันค่อยๆถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราได้ มันเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่จิตอาศัยอยู่เวลาดูนะมันจะรู้สึกร่างกายเหมือนเปลือกเหมือนครูหานะพระพุทธเจ้าบอกร่างกายเป็นครูหาให้จิตอาศัยอยู่นี่ไปขั้นในเริ่มเจริญปัญญาละนะหัดแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามไปเรื่อยแยกธาตุแยกขันธ์หัดแยกไปเรื่อยๆนะจิตเป็นคนรู้คนดูพนะอแยกออกมา ก, ก็เห็นกายไม่ใช่ตัวเราหรอก กลายเป็นวัตถุธาตุขยับขยืนเคลื่อนไหวไปเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบร่างกายนะั้นเวลาเราดูหายใจออกหายใจเข้าเนะี่ยถ้าเราดูเป็นนะมันจะไม่รู้สึกว่าเราหายใจแต่มันจะรู้สึกว่าเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวโปง่งเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยก็โปง่งเดี๋ยก็แฟบนะจะเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เหมือนุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวโปง่งเดี๋ยวแฟบไปเรื่อยๆใจเป็นแค่คนดูแล้วมันถึงจะเห็นนะไม่ใช่คิดเอานะถ้าคิดเอานี่ปัญญาลําหน้าไปใช้ไม่ได้ดูของจริงนะเวลามาดูจิต ด, ดูใจก็ง่ายๆนะเราเห็นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะเห็นเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปโลภโกรหลงผ่านมาแล้วก็ไปนะไม่โลบไม่กรไม่หลงมาแล้วก็ไปเหมือนกัน อะไรอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งสิ้นการที่เห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเราหัดเจริญปัญญาอยู่นะกุศลอ่ะกุศลก็ผ่านมาผ่านไปเหมือนกัน น, ะนี่เราเฝ้ารู้นะรู้อยู่ในกายเห็นกายที่เคลื่อนไหวอยู่เห็นกายที่หยุดนิ่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรารู้เวทนาก็เห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นสังขารที่เป็นกุศลอ่กุศลนะก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะ มันจะถอนความเห็นผิดเว่ากายใจเป็นเราได้นะเดี๋ยวเหลืออีกอันหนึ่งเดี๋เรื่องจิตสิ่งที่มันประกอบเป็นตัวเรานะประกอบด้วยรูปนะรูปอย่างร่างกายเนี่ยเจตสิกนะเจตสิกคือสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศ ล, ลทั้งหลายที่สอนนี่สอน2ออันละนะสอนให้เห็นรูปเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราใจเราเป็นคนดูนะร่างกายแยกออกไปไม่ใช่เรา เห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารเวทนาและสังขารเนี่ยก็เรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่ประกอบจิตนะต่อไปก็เหลืออีกตัวเดียวคือจิตวิธีที่จะดูว่าจิตเกิดแล้วดับเนี่ยดูยากหน่อยเพราะจิตนี่เป็นของละเอียดมากแล้วที่สําคัญนะมันเกิดดับรวดเร็วมากเลยสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วคล้ายๆแสงไฟฟ้าเนี่ยนะ หลอดไฟฟ้านี่น่มีแสงเปล่งออกมาแสงมันไม่ได้คงที่นะมันมีความเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วจนเราดูไม่ทันนะอาศัยสัญญาเราจําแสงนี้ได้นะพอมันดับไปปั๊บอันใหม่เกิดขึ้นเรายังจําอันเก่าอยู่มันเลยต่อเนื่องนะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นยังคงที่อยู่เมื่อก่อนเคยดูการ์ตูนนะอิกิวซังใครเคยดูบ้างอิกิซังนะแข่งกับโชกุน โชคคุณนี้ทําไมมันแพ้เด็กตลอดก็ไม่รู้เนะไม่รู้มันเป็นโชคคุณได้ยังไงนะอีกคิวสั่งนะเอาพัดมาอันหนึ่งเราไม่มีพัดมีพัดอยู่หนึ่งอันนะข้างหนึ่งเขียนรูปกลงลูปกลงนะกลงสําหรับครอบสัตว์อีกข้างหนึ่งเขียนนกใช่ไหมแลม้วมันก็หมุนอย่างเนี้ยหมุนอย่างเงี้ยหมุนเงี้ยไม่จะเห็นเป็นนกอยู่ในกลงถามว่ารูปนกกับรูปกลงนี่คนละรูปใช่ไหมแต่พอมันเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วเรารู้สึกเป็นรูปเดียวกันแนละ้ว เป็นนกอยู่ในกลงนะเนี่ยจิตเองก็เกิดดับรวดเร็วจนเรารู้สึกว่าเป็นตัวเดียวกันมีอยู่ตัวเดียวแหละ ไ, ไม่มีอันอื่นหรอกนะเรามองไม่เห็นหรอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนะถ้าภาวนา จ, จะเห็นว่ามีช่องว่างเล็กๆมากขั้นเรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องเนี่ยขาดละตัวนี้ขึ้นมิปัสนาแท้ๆละนะก่อนนั้นยังไม่ถึงมิปัสนาแท้ๆนะสันตติยังไม่ขาดทีเดียววิธีที่จะฝึกนะ อยู่ๆเราไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราอาศัยดูเจตสิกบ้างอาศัยดูอายตนะบ้างเพราะอะไรพระจิตเนี่ยเกิดร่วมกับเจตสิกจิตเกิดตามอายตตะนะไม่ได้เกิดลอยๆไม่มีอายตนะแล้วเกิดได้ก็ไม่ใช่ไม่มีเจตสิกแล้วเกิดได้ก็ไม่ใช่จิตจะเกิดร่วมกับเจตสิกเสมอจิตจะเกิดโดยอาศัยอายตนะเสมอนะ เพราะนั้นเวลาเราภาวนาเราอยากเห็นความเกิดดับของจิตเนี่ยอาศัยการรู้เจตสิกเราจะค่อยๆสังเกตไปจิตที่มีความสุขนะมันก็เป็นแบบหนึ่งเวลามีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันเราจะเห็นว่าความสุขสลายตัวไปเป็นจิตที่เฉยๆนะตอนแรกเรายังรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวแต่ตะกี้นี้สุขตอนนี้เฉยๆ เ, เนี่ยเดี๋ยวจิตก็ทุกข์นะแล้วเดี๋ยวเฉยๆนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะ โลภขึ้นมาแล้วก็เฉยเฉยโกรธแล้วก็เฉยเฉยหลงไปแล้วก็เฉยเฉยฟุ้งซ่านพอรู้ทันก็เฉยเฉยหดหูพารู้ทันแล้วมันกะ็เฉยเฉยนะมันจะไม่ใช่อันเดียวกันตลอดเราจะเริ่มเห็นว่าจิตที่สุขนะก็เป็นอันหนึง่งจิตที่เฉยเฉยก็เป็นอันหนึง่งจิตที่ทุกข์ก็เป็นอันนึงจิตที่เฉยเฉยก็เป็นอันหนึง่งนะจิตที่โลภก็เป็นอันนึงจิตที่ไม่โลภเป็นอีกอันนึงมันเกิดดับพร้อมกับเจตสิ <S <'s <that? Why? S 2> กเพราะฉั้นหัดรู้ไป จิตใจมีความสุขขึ้นมาก็รู้จิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะเฝ้ารู้อย่างนี้นานๆมันจะเห็นเลยว่าจิตก็เกิดดับได้แต่ถ้าจะดูให้เร็วขึ้นเร็วกว่านั้นนะดูที่อายตนะจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วเลยทางอายตนะหลวงพ่อว่าง่ายบางคนอาจจะว่ายากถ้ารู้สึกยากก็ดูเจตสิกไปนะดูสุขดูทุกข์จิตสุขจิตทุกข์จิตโลภจิตโกรธจิตหลงอะไรอย่างนี้ดูไปด้วยเราจะเห็นว่าจิตนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวสุขเดี๋ยวไม่สุกนะเดี๋ยวทุกเดี๋ยวไม่ทุกอะไรเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเฝ้าดูอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงนะหรือถ้าดูตามมายาตนาเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปคิดพวกเราที่เรียนจากหลวงพ่อมานานๆแล้วเห็นไหมเดี๋ยวจิตวิ่งไปดูเดี๋ยวจิตวิ่งไปฟังเดี๋ยวจิตวิ่งไปคิดใครเห็นตรงนี้ยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมนะมีไหมมีไหมเล่นยกอย่างนี้ใครจะไปเห็นว่า หลวงพ่อไม่ใช่ไ่เดือนนะอา้าวเอาลงได้นะถ้าเราเฝ้ารู้ไปนะเราจะเห็นวนะ่ามันเกิดดับอยู่ทางอยายตนะแต่เราหัดใหม่ๆเนี่ยเรายังสำคัญผิดอยู่สัญญาอย่างหลอกลวงเราอยู่สัญญาลวงเราว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวจิตนี้เดี๋ยววิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดนะวิ่งไปทางใจแล้วก็วิ่งกลับม า, นะ า, จ, บมาจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ถ้าเราฝึกสติของเราจนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราจะเห็นว่าจิตที่ไปดูนะก็เป็นดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดที่ตาดับที่ตาจิตที่ไปฟังนะก็เป็นอีกดวงหนึ่งนะเกิดที่หูแล้วก็ดับที่หูจิตที่ทํางานทางใจก็เป็นอีกพวกหนึ่งนะไม่ใช่จิตชนิดเดียวกพอที่เกิดที่ตาที่หูเราเป็นคนละดวงกันแต่ใหม่ๆยังไม่เป็นอย่างนั้นใหม่ๆรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวจิตเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปทางตาพอเรารู้ว่าจิตหลงไปทางตาเราจะไปดึงคืนมารู้สึกไหม หัดใหม่ๆมันจะไปดึงคืนมานะวิจิตเราหนีไปทางตาแล้วไปดึงคืนมาจิตหนีไปฟังนี่รู้ทันแล้วก็ดึงคืนมาจิตหนีไปคิดรู้ทันแล้วก็ดึงคืนมาเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวเห็นว่าจิตนี้เหมือนแมงมุมนะวิ่งไปในทิศทางต่างๆข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็วิ่งกลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะจริงๆจิตไม่ได้เหมือนแมงมุมดอกจิตเกิดตรงไหนจิตดับตรงนั้นนะแต่ว่าหัดใหม่ๆยังเห็นว่าจิตไม่เกิดดับ แต่ถ้าเราฝึกไปนานๆอนะไระเห็นว่าจิตที่เกิดที่ตานะเกิดแล้วก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นนะถ้าดับอย่างนี้เราจะเห็นแล้วจิตที่เกิดที่ตานะก็ดวงหนึ่งนะจิตที่เกิดที่ใจก็อีกดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่หูก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็อีกดวงหนึ่งคนลนกันะมีช่องว่างเล็กๆมาคั้นอยู่นะมีช่องว่างมาขัน่นนะไม่ใช่อันเดียวกันหรอก ตรงที่เราสามารถเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องเนี้ยขาดลงแล้วมันจําเป็นยังไงที่จะภาวนาจนสันตติขาดถ้าสันตติขาดได้มันจะเห็นว่าตัวตนถาวร น, นั้นไม่มีคําว่าอัตตาอัตตาที่พวกเราเรียกอัตตานั้นแปลว่าตัวตนถาวร น, นะอย่างบางคนรู้สึกเซลล์จัดขึ้นมาเป็นระยะระยะรู้สึกกูเก่งกูเก่งไอ้นี่ไม่ใช่อัตตาหรอก อันนี้เรียกว่ามานะมานะว่ากูเก่งกูเก่งนะเป็นคนละตัวกันส่วนอัตตานั้นไม่มีมานะนั้นมีนะมีเหตุก็เกิดขึ้นมาอัตตานั้นไม่มีอยู่แราวสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีเลยสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมจิตที่สุขที่ทุกข์จิตที่เฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่สุขร่างกายที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภที่โกรธที่หลงเกิดแล้วก็ดับนี่มีแต่เกิดแล้วก็ดับ การที่เราเห็นว่าอันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งอันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งเนี่ยมันจะสะท้อนให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะเพราะงั้นการที่เราต้องคอยรู้จนกระทั่งรู e ้ถึงความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี Californ, pajamas, ่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรทุกวันนี้เรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเหมือนเราเห็นหลอดไฟเนี่ยเปล่งแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาแสงสว่างนี้ถาวรนะยังไม่ดับเลย ทั้งๆ ท, ที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอาศัยสัญญามาหลอกลวงเราเราก็คิดว่ามันยังอยู่ไม่จําแสงเก่าได้ต่อกระแสงใหม่ได้มันจำเอาจิตนะนี้ก็เหมือนกันนะมันเกิดดับตลอดเวลาแต่อาศัยความจำํำนะเราก็เลยคิดว่าเป็นตัวเก่าสัญญานี่แหละเป็นตัวหลอกลวงนะเป็นตัวหลอกลวงปิดกั้นปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นมานะเมื่อเรามีสติคอยรู้ลงไป จิตดวงนี้เกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตที่ไม่โลภจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับเนี่ยหายไปก็อาจจะกลายเป็นจิตหลงนะหรือจิตหลงเกิดแล้วดับไปอาจจะเป็นจิตหลงอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นจิตที่มีโทสะเนี่ยหมุนอยู่อย่างเนี้ยหมุนไปเรื่อยเฝ้าดูอย่างนี้นะเฝ้าดูไปเรื่อยดูความเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวที่ตาเดี๋ยวที่หูเดี๋ยวที่ใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูความเปลี่ยนแปลงยี่เรื่อยๆเพื่อวันหนึ่งจะเห็นความจริงว่า จิตนั้นเกิดแล้วก็ดับไปนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะไม่ได้สอนว่าจิตเป็นอัตตาถ้าเห็นว่าจิตเป็นอัตตาเนี่ยไม่ใช่ชาวพุทธแท้ๆหรอกนะมันเป็นธรรมะของฮินดูของพราหมณ์ที่เขามีมาก่อนพระพุทธเจ้าซะด้วยซ้ํำไปของพราหมเนี่ยมีอัตตามีอาตมันพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเมื่อไม่มีตัวตนถาวรเรียกว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราแล้วอะไรทุกข์ล่ะ กายมันทุกข์ใจมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะร่างกายทุกข์แล้วเราไปเดือดร้อนอะไรด้วยใจมันทุกข์แล้วเราไปเดือดร้อนอะไรด้วยนะอย่างคราวหนึ่งหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่สิมนะานะไปกับเพื่อนท่านพานั่งขัดสมาธิเพชรนั่งอยู่นานเลยท่านเทศจนจบนะเหลือคนนั่งขัดสมาธิเพชรได้สองคนมีหลวงพ่อกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเสร็จแล้วหลวงปู่ถามว่านั่งแล้วเป็นยังไงเพื่อนหลวงพ่อก็กราบเรียนท่านว่าเมื่อยขาครับปวดขา หลวงปู่ถามว่าขามันบอกว่าปวดเหรอเห็นไหมความจริงท่านสอนให้แยกธาตุแยกขันธนะ์แล้วสอนให้เดินปัญญาขาก็ส่วนขานะความปวดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตที่ไปรู้ความปวดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะนี่ถ้ายังไม่เข้าใจเราก็เรียกขาของเราปวดนะถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นว่าขาอยู่ส่วนขานะความปวดอยู่ส่วนความปวดไม่นคนละขันธ์กันจิตที่เป็นคนไปรู้ก็เป็นอีกขันธ์หนึ่งคนละตัวกันขาก็ไม่ได้ปวดจิตก็ไม่ได้ปวดนะ ความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาอยู่ในขาเท่านั้นเองนะนี่ค่อยๆรู้ไปมันจะมีความทุกข์ความทุกข์ยังมีอยู่แต่ว่าไม่มีคนที่เป็นทุกข์นะคันมันเป็นทุกข์อย่างขามันปวดนะแต่ว่าไม่ใช่เราปวดหรอกไม่มีเราปวดนะขามันแก่ขาไอ้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะมันก็สุขทุกข์ของมันไปเรื่อยๆไม่ใช่เราสุขเราทุกข์แต่เวทนามันสุขมันทุกข์ สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะสังขารมันก็ปรุงของมันไปเรื่อยๆไม่ใช่เราดีเราชั่วนะจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยไม่ใช่ตัวเราที่มีอยู่ถาวร น, นะฝึกไปอย่างนี้นะวันนึงก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้ในพระไตรปิฎกพูดถึงท่านผู้บรรลุพระโสดาบันนะอย่างพระปัญจวัคคีย์พอได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะพระปัญจวัคคีย์มีดวงตาเห็นธรรม คือเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงดับไปเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาขันทั้งห้าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอะไรดับไปเป็นธรรมดาขันทั้งห้าดับไปเป็นธรรมดานี่แต่ขันเกิดแล้วก็ขันดับขันที่ท่านเห็นว่าขันทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิ้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่าท่านแจ่มแจ้งแล้วว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรไม่มีอัตตาตัวตนนะ เพอท่านเห็นว่าไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรนะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายขันทั้งหลายมันเกิดดับอยู่ตลอดเลยไม่มีตัวเดียวถาวรนะเห็นอย่างนี้แล้วล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้รู้แล้วว่ามีแต่ขันนะขันนก็ทํางานของขันแต่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะนี่เป็นขั้นของการเจริญปัญญานะงั้นเราก็ค่อยๆฝึกไปเป็นคารวาสก็มีฐานอยู่ในโลกก็ต้องมีฐานใช่ไหมเดี๋ยวก็ทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคน น, น, ออค น, นี้รู้จักไหมทะเลาะ ใครไม่เคยทะเลาะกับคนอื่นมีไหมใครเคยทะเลาะกับคนอื่นมีไหมนี่ต้องถามกลับข้างไม่ยกอ่ะอเวลาเราให้อภัยนะเรียกว่าเราทำทานนะคนนี้ไม่รู้ไม่มีความรู้เราก็ให้เขาเนี่ยเราก็ให้วิทยาฐานใช่คนนี้ไม่เข้าใจธรรมะเราพอเข้าใจตรงไหนเราก็บอกแค่นั้นนะเราเขาถามมากกว่านั้นเราตอบไม่ได้นะเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟังเนี่ยคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะจิตใจพัฒนานะ มีความสุขพ้นจากความทุกข์หยาบยาบเนี่ยนับจำนวนไม่ท่วนแล้วนะมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขารู้สึกเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงๆอะ่ะพระธรรมก็สอนของจริงนะพระสงฆ์ก็มีจริงๆภาวนาแล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆเนี่ยเขาฝึกกันมาเขาคอยรู้กายเขาคอยรู้ใจของเขาเนี่ยเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเขาเห็นความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งนะขันก็ไม่ใช่ตัวเราเไม่ใช่เราทุกข์ละ นะแล้วเวลาดำรงชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราจะพบว่ามีปัญหาตลอดเวลาเลยเดี๋ยวปัญหาเรื่องโน้นปัญหาเรื่องนี้ปัญหาส่วนปัญหานะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยไม่ทุกหรอกปัญหาส่วนปัญหาปัญหากับความทุกข์เป็นคนละอันกันค่อยๆฝึกไปเราจะอยู่กับโลกอยมีความสุขนะมีทานนะมีศีลศีลก็จําเป็นนะคนไม่มีศีลจิตใจว้าวุ่นถัดจากนั้นหัดภาวนามีสติรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆไป นะจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจดูมันทํางานไปเรื่อยจะเห็นกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาเพส่วนหนึ่งสังขารก็ส่วนหนึ่ ง, นนงจิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนละอันคนละอันกันหมดเลยแล้วแต่ละอันเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่ฝึกอย่างนี้น ะ, ะครึ่งชั่วโมงพอดีพอดนะีเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะละมาสการพระอาจารย์เจ้คาคะอยากจะถามคําถามสองข้อน่เจ้คาคะ รู้สึกว่าตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเข้าใจในสภาวะธรรมที่เข้ามาในอนายตระหนักกนะคะมันไม่เที่ยงเหมือน้งตั้งอยู่และดับตายเหมือนหลวงพ่อเทศเมื่อกี้นี้เลยนะคะเรารู้ตัวเองรู้ว่าเร า, เ, ราเข้าใจไม่ทราบว่าเราเข้าใจจริงด้วยว่าเราหลงตัวเองนะคะออะไรนะไม่ทราบว่าเราเข้าใจจริงหรือว่าเราหลงตัวเองอเนะคะเห็นนะเห็นนะแต่มันเห็นเป็นครั้งข่าวมันยังไม่ถึงอกถึงใจต้องเห็นอีก นะยังไม่พอยังไม่ละนะมันเริ่มเห็นแล้วว่ามันเกิดดับอยู่ทางตะวันทั้ง6ตรงนี้ต้องเห็นด้วยความสบายใจดูไปอย่างสบายๆนะอย่าไปดูแบบคอยดูไม่ให้คลาดสายตาอะไรเงี้ยอย่างนั้นดูอย่างเคร่งเครียดไม่ดีรู้ไปสบายๆอย่างตอนเนี้ไปทางไหนอะไปทางใจเห็น ไ, ไหมไหลไปทางใจแล้วก็รู้ว่าไหลไปทางใจ แ้วฝึกอย่างนี้รู้ไปได้่เลยเาจะเห็นว่าจิตที่เกิดที่ใจก็ดวงหนึ่งนะจิตที่ไปทางตาก็อีกดวงมันพล่านกันฝึกรู้อย่างนี้บ่อยๆแล้วดีแล้วแล้วอีกข้อหนึ่งเจ้าคะ่ะจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิคะ่ะอืมไม่ทราบว่าทุกวันนี้ฝึดถูกทางไหมจ๊ะเจ้าคะมันเคลิ้มไปนิดหนึ่งนะพยายามรู้สึกตัวให้เยอะขึ้นนิดหนึ่งเรียกสมาธิมันล้าหน้าไปมันซึมนะพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเพิ่มสติขึ้นหน่อย เพราะฉะนันเวลาเราหายใจนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้หายใจให้เคลิ้มนะหายใจเราก็รู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวใจหนี้ไ่คิดก็รู้กรลาบนละมรสการของพ่อค่ะ อ, อ้าว่าไปเขาขอให้สุขภาพของพ่อหายไวนะคะโอ้มันขอไม่ได้ดอกมันเป็นไ ป, นปนตามเหตุนนะ <c oughs> อย่างมีเชื้อโรคชนิดนี้เนี่ยมันต้องอยู่กี่วันอะไรเงี้ยนะ ก็ฟ <c oughs> ังซีดีอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาได้ประมาณสองถสามเดือนนะคะก็เริ่มปฏิบัติเลยค่ะหลวงพ่ออือก็มันมีประโยคเลยค่ะที่หลวงพ่อพูดในซีดีว่ายากดีมีจนก็เสมอภาคกันน้ำตาไหลเลยคะ่ะหลวงพ่อก็บางทีฟังแล้วก็ขัำขำก็รู้นะคะหลวงพอ่ออืก็ฝึกฝึกแบบจิตจะรู้ว่าจิตหลงไปแล้วก็รู้นะคะหลวงพอ่อแล้วก็จะรู้สึกกายมากกว่ากับหลวงพ่อเพราะว่า มันจะรู้ลมหายใจนะคะหลวงพ่อถ้าเกิดเผลอไปประมาณห้าสิบห้าถึงสิบปีก็จะรู้ลมขึ้นมาค่ะดีสินะเอาลมเป็นฐานเป็นเครื่องอยู่รู้ลมไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีไปรู้ฝึกงี้นะอีหน่อยพอพอใจมันหนีไปมันลืมลมพอมันลืมลมปุ๊บมันรู้เลยว่าลืมไปแล้วเรู้ลมนะคะหลวงพ่อใช้ได้ก็รู้ว่าอย่างเช่นเราเดินก็รู้ว่าร่างกายมันเดินใช่ไหมคะหลวงพ่ออืแต่เวลานั่งสมาธิหลวงพ่อมัน มันจะชอบนิ่งนะคะหลวงพ่อแล้วมันจะรวมมันไม่ได้คิดนะคะหลวงพ่อว่าให้ไอ้นั่นเป็นสมถะก็ให้มันพักไปสมถะเขาทำได้ไม่ใช่ไม่ทำนะครูบาอาจารย์เคยสอนนะว่าสมถะเขาทำน ะ, ะแต่ไม่ใช่ทำนานทำไปยาวนานหลายๆปีไม่ยอมเดินปัญญาอย่างนั้นทำสมถะอย่างเงี้ยช้าใช้ไม่ได้ถ้าเดินปัญญานะเนี่ยด้วยการคิดเอาเรื่อยๆนี่นก็ฟุง้งซ่านคิดนิดๆหน่อยๆได้นะ เวลาที่จิตเราไปติดนิ่งติดเฉยเนี่ยคิดพิจารณานิดนิดหน่อยหน่อยได้ช่วยคิดเหรอคะช่วยคิดตอนที่จิตติดนิ่งอะ่ ะ, ะแต่ถ้าจิตยังคลาดปร า, าดเปลียวคล่องแคล่วอยู่อย่าไปคิดเอามีสติตามรู้ตามดูกายดูใจแยกธาตุแยกขันธ์ไปด้วยด้วยแล้วไงหลวงพ่อก็ตอนตอนระยะนั้นมันรู้สึกว่าจะตึงๆนะตรงหน้าผากค่ะหลวงพ่อ น, นั่นแ ห, หนนละมันไปนบังคับใจนะนบ<า>งังคับมากไป อ, อ, อ, อืเวลาทําสมาธินะ ทำด้วยความรู้สึกตัวอย่าเริ่มต้นโดยอยากให้จิตสงบถ้าเริ่มต้นโดยอยากให้จิตสงบส่วนใหญ่จะไปเพ่งเพ่งแล้วจะเครียดขึ้นมาตึงๆหน้าผากบ้างบางคนก็ปวดลูกตาอย่างนั้นน่ะมันเครียดไปดูให้สบายๆสังเกตไหมใจเราฟุ้งซ่านเก่งให้รู้ทันเวลาใจฟุ้งซ่านรู้บ่อยๆนะต่อไปขอบคุณค่ะเมื่อ เจดหนูไม่ตั้งมัน่นอืแล้วระหว่างที่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าตั้งบั่นขึ้นมาบ้างแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่พอปฏิบตัติต่อมาอีกก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าความคิดอะไรจะเยอะมากนะคะไม่ไรคิดไปแล้วเกิดกิเลสรู้ไหม มันเกิดแม้กกิเลสส่วนใหญ่วิ่งหลังตามความคิดมาใช่เพราะงั้นพอมันคิดไปแล้วเกิดโลภขึ้นมารู้ทันเกิดโกรธขึ้นมารู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันหดหู่รู้ทันนะะรู้ทันนี้บ่อยๆก็ใช้ได้ห้ามมันคิดไม่ได้หรอกจิตมันมีหน้าที่คิดนี่พอคิดไปแล้วมันเกิดกิเลสเกิดอะไรขึ้นมาเกิดกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็คอยรู้เอาเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปได้สุขทุกข์ดีชั่วไม่คงที่นะ แล้วของหนูนี่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษแล้วเปล่าคะก็ดูจิตใจไปนะแต่ว่าอย่าลืมกายนะที่สอนให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ทิ้งกายนะบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติมันก็รู้จิตยงแต่เราเป็นคนคิดมากจิตมันทํางานทั้งวันคอยรู้ทันมันบ่อยๆการบ้านของหนูก็คืดูจิตใช่ไหมคะรู้ทั้งกายทั้งจิตแล้วอยากขอคําชี้แนะจากหลวงพ่อค่ะขอคําชี้แนะ เรอจะให้ชี้เรื่องอะไรอ่ะต้องการอะไรล่ะตอนนี้หนูปฏิบัติต้องปรับลงอะไรหรือเปล่าคะก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยนะเราวิธีปฏิบัติเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยเราโอกาสที่จะถามหลวงพ่อมีไม่มากงั้นเราต้องรู้หลักที่จะช่วยตัวเองให้ได้เราคอยสังเกตจิตใจของเราไปนะ กุศลอะไรเรายังไม่ได้ทำกุศลอะไรเรายังไม่ได้ละแล้วคอยรู้ทันไปด้วยอย่างใจมันขี้โมโหก็รู้ทันตัวเองไปว่ามันขี้โมโหรู้ทันบ่อยๆใจมันขี้โลภก็รู้ทันว่ามันโลภนะใจมันไปชอบเพลินในความสุขเราก็รู้ทันว่ามันชอบเพลินในความสุขคอยรู้ทันความไม่ดีของเราเองไว้บ่อยๆนะแล้วก็เราคอยสังเกตไปกุศลอะไรเรายังไม่ค่อยได้ทานะ เช่นเราขี้เกียจภาวนาเนี่ยเราก็พัฒนาขยันภาวนาขึ้นมาสำรวจตัวเองนี่แหละดีที่สุดเลยนะอกูสนใดยังไม่ได้ละกูสนใดยังไม่ได้เจริญสังเกตไปแล้วค่อยๆพัฒนานะถ้าเดินอย่างนี้เราจะเดินด้วยตัวของเราเองได้นะโอกาสจะมาถามหลวงพ่อมันไม่มากนี่เราเรียนกันเยอะพ่อไหวไหมนะเอาหลักนะ จะได้ช่วยตัวเองได้ทุกๆสถานการณ์อย่าตอนนี้หลงรู้สึกไหมหลงไปคิดนะจิตหลงไปคิดเราก็รู้ทันเอาอะต่อไปค่ปะนักสักการะหลงพ่อค่ะ เ, เคยมาส่งกัรบ้านหลงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าติดนิ่งอะค่ะก็กลับไปปฏิบัติใหม่แล้วก็พยายามที่จะตามรูกายรู้ใจไปเรื่อยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีความนิ่งอยู่อะค่ะดีที่รู้ทันแล้วนะะ แต่ก่อนนิ่งนึกว่าดีตอนนี้รู้หรือยังว่าถ้านิ่งแล้วมันจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงน ะ, นะมันไม่เดินปัญญาเพราะฉะนั้นทำความสงบนิ่งอยู่เงี้ยเนิ่นช้าเพราะไม่เดินปัญญานะรเราไม่ให้นิ่งนานนะนิ่งพอมีเร็วมีแรงแล้วมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปะเห็นไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเห็นแล้วค่ะเออนะดูอย่างนั้นแหละแต่ดูไปดูไปพอมันฟุ้งดูไม่รู้เรื่องนะก็กลับมาทําความสงบพักผ่อนบ้าง พักผ่อนพอมีเรี่ยวมีแรงไม่ให้ติดนิ่งนานนะพอมีแรงแล้วก็ออกมาดูกายดูใจมันทำงานไปอีกนะสวัสดิมัสการหลวงพ่อค่ะโยนดีใจใจมันเต้นตุกๆๆกตุกก อ, อ, อก่อนหน้านี้นโยนเคยปฏิบัติออหองอยูอวกาะ แล้วก็ปีหนึ่งก็จะทําครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งเลยเปนเต็มทำทันที่บ้านนะคะ อ, อ, อันนี้บ้านจานของลูกก็มรณะข้าไปนานมากอันนี้ก็นานแต่แล้วกันเอ้เราอายุมากแล้วใกล้จะตายแล้วต้องออรีบทำกั่นพระเนี่ยท่านบวชกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้สามเดือนนะลูกก็เลยสามเดือนเนี่ยจะไม่พูดจะทําจะได้ดีไปเลยนะคะจะทำสามเดือนพอเข้าเดือนที่สองแ เท่าเดืนที่สองลูกก็ไม่สราบก็ถลันถลัาเข้าไปดูอะค่ะอาจารย์ถลันเข้าไปดูก็ได้ยินเสียงเขาก็พูดจิตนะคะเาปลุงแต่งเมื่อูรมารรลมืได้ฟังทีดีของาลวงพ่อจิตก็ปรุงแต่งพูดอะไรแย่ๆลูกก็หลงไปเชื่อเขาค่ะทำตาเขาเหมือนคนบ้าเลยค่ะหลวง่อแ่เชื่อนะมาปรุงแต่งลูกก็มีสติอะไแต่ว่าเไม เราก็นึกว่านี่อะไรเหรอเราเรารู้แล้วเหรออะไรแบบนี้มก็มาบอกอะไรอย่างเนี้ค่ะอตอนหลังก็มันมีแต่ทุกข์นะคะอาจารย์ทุกข์มากในกายาาเราก็เต้นในเนื้อเนื้อในกายในกายนะคะอาจารย์มันจ ะ, ะระยะิบระยับเต้นทั้งทั้งทั้งใจถูกแล้วแหละมันกระแทกรแท ก, กระทกหัวใจมันก็บีกัรู้ว่าทรมานมันนึ่งทีเต็มเต็มเลยค่ะกันคืนก็ ก็นอนไม่ได้ก็รู้สึกเหมือนกิดจิตก็ตื่นตลอดลนะค <ứng S 1> ่ะแล้วก็พอลูกไม่ได้ฟังซีดีหลวงก็ลูกก็ดีขึ้นดีขึ้นแลพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะ<ม><ช>ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นแค่ความสุขความทุกข์ใจเราอยู่ต่างหากนะจิตมันปรุงอะไรขึ้นมาเพื่อแค่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะไม่เชื่อเพาะนะไม่เชื่อจิตมันปรุงเก่ง อาพิสังขารมานมันทํางานนะจากนี้ไปอ่ะเพื่อเพไม่เสียลูกจะต้องปฏิบัติยังไงคะมิหารธรรมมิหารธรรมเราเคยดูท้องพองยุบเราก็ดูของเราไปแต่อย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะเห็นร่างกายมันพองร่างกายยุบจิตเป็นคนดูเห็นตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่เราหรอกนะแล้วจิตมันแอบไปคิดก็รู้ทันต่อไปก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตไม่ได้เห็นอันเดียวหรอกภาวนาที่อยู่เกินหน ตีดเขากจ็จะขึ้นมาปลื้มหลักระแทกหัวใจหลักระแทกเลือนในการทีอ่อยู่ในกายแล้วก็ลู ก, ก็๊เอเจ้ี่ฝัหลวงพอมาพยายามนะอย่าให้จิตมันนิ่งๆนะพยายามหลุดออกจากความนิ่งๆให้ได้เลย ต, ต, ยตก่อนลนลุกดิ้นหลนที่จะหลุดไปจากตรงนี้มันก็ทรมานมทีนี้ก็เลย ก, ก็มาดูเอ้ยเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นจิตากเขาก็จะจะจ ะ, จะช่ว ย, ช, วยช่วยเจ้าเอ๋อกาเห็นเขาสวดมนต์นะคะ ก็จัดได้ว่าเฮ้ยอะไรคาถาอะไรเนี่ยการึกขนใจก็เนี่ยดูไปอย่างนี้ดูไปว่าจิตมันทํางานได้เองอจิตไม่ใช่เร า, านะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะในกายก็เห็นกายไม่ใช่เราอะไรเกิดขึ้นในจิตก็ดูไปจิตก็ไม่ใช่เราดูอย่างนี้บ่อยๆนะอ่ะไปคนตอบไปกราบข้าว่รมรัชการหลวงพครับปฏิบัติมาได้สองปีครับแล้วก็ เพิ่งได้โอกาสมาส่งกัรต้านของพ่อครับคือครั้งแรกที่ปฏิบัติเนี่ยรูปปฏิบัติไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็นั่งสมาธิก็ไม่เป็นพอได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่ากายกับใจไม่ใช่ของเราเป็นตัวทุกข์เนี่ยอืทีนี้พอฟังแล้วเกิดความรู้สึกว่าความความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นยังไงก็เลยลองนั่งดูเขาอะครับ ก็เห็นความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเองแล้วเขาค้างสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ดับลงไปเองอืพอ<ม>ดูอย่างนี้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับเห็นว่าจิตเนี่ยมันมีการแยกตัวออกมาเออมีความทุกข์กับกับสิ่งที่แยกออกมามไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเออนะั่นแหละดูมันอย่างนั้นแหละแล้วก็เห็นเห็นจิตเออเห็นความเป็นตัวเราเนี่ยเป็นสภาวะที่รู้อยู่ต่างหากครับเออ แต่ว่าความทุกข์มันไม่ใช่ของเราแล้วใช่ไหมครับใช่นะมันแต่ว่ามันยังไม่ลาเด็ดขาดหรอกต้องดูมากๆนะวันหนึ่งมันถึงยอมเด็ดขาดลงไปเลยว่าขันมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์หรอกตัวเราไม่มีครับแล้วหลังจากนั้นลูกก็เริ่มเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราบ้างเออดีนะเพรนะาะนั้นสลับกับจิตแยกออกมารู้ได้บ่อยๆครับเออนะแต่อย่า<อ>จงใจแยกนะถ้าเขาแยกเองไม่เป็นไรถ้าเราจงใจแยกใช้ไม่ได้นะ แล้วหลังจากนั้นมาสักหนึ่งเดือนพอมันเจริญขึ้นแล้วมันก็จะเสื่อมลงนะคะ <Yeah. S 1> รับเราเราก็ทําสม่ําเสมอน ะ, ะเจริญก็ภาวนาไปเสื่อมก็ภ า, า, าวนาไม่เลิกหรอกแต่เวลาเสื่อมมีเคล็ดลับอยาอยากให้เจริญถ้าอยากให้เจริญจิตยิ่งดิ้นรนจิตยิ่งดิ้นรนยิ่งเสื่อมหนักถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางแล้วก็ไม่เป็นไรล ะ, ะแล้วหลังจากนั้นก็มันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานะครับ พราะเราอเราดูไม่รู้ว่าที่ฝึกมาเนี่ยฝึกเพื่ออะไรแล้วจะลัความเห็นผิดได้ยังไงอะไรนีเราดูไปสิเราเห็นขันมันทํางานแล้วนะเราเริ่มลัความเห็นผิดว่าขันนี้เป็นตัวเราไปละขันนั้นทํางานได้เองพอเราเริ่มเห็นเนี่ยเริ่มเห็นความจริงนะใจจะเริ่มเบื่อเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหนายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือถ้าคลายกำหนัดนั้นก็หลุดพ้นไปเนี่ยเราฝึกไปอย่างนี้ได้ในสุดจิตกับขันมันพลากออกจากกันนะ จิตไม่ไปยึดขันหรอกขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตจิตก็ทําหน้าที่ของจิตไปขันก็ทําหน้าที่ของขันไปนะไม่แทรกแซงกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาลูกว่าเห็นสภาวะที่จิตเนี่ยมันเย็นเหมือนมีก้อนน้าแข็งอยู่ภายใ น, ในนะมันอะไรนะมันมีความเย็นเหมือนมีก้อนน้าแข็งเล็กๆอยู่ในจิตอาการเออก็แค่รู้นะไม่ใช่ดีไม่ใช่ร้ายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ลูกก็ติดอยู่ในนั้นอยู่ประมาณ8เดือนนะครับโอ้ติดนานา่ะ คือบอกว่ามันเย็นแล้วมันก็ทุกเย็นแล้วก็ทุกจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราไม่อยากได้ความสุขแล้วอ่เพรถ้าอย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าติดนะนึกว่าถ้าเย็นคงที่อยู่แปดเดือนถึงจะเรียกว่าติดถ้าเย็นแล้วก็ทุกเย็นแล้วก็ทุกไปดูเขาเปลี่ยนแปลงยังเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ใช้ได้เห็นมีตัวหนึ่งที่มันบานออกมาครับเหมือนกับมันพอใจครับพอความทุกข์มามันก็จะบีบแคบลงเออนะโดยใหญ่แล้ว แล้วจุดที่ต้องระวังนิดดึงคือเวลาที่เราเข้าไปเห็นได้น้ําแข็งเนี่ยหรือว่าเห็นทุก์เนี่ยอย่าถลําลงไปดูดูห่างๆนะอย่าให้ใจไหลเข้าไปจ่ออยู่ข้างในถ้าใจไหลไปเกาะอยู่ตรงที่เย็นๆตรงจุดตรงเนี้ยมันจะติดอยู่ข้างในนะอย่าให้ติดอยู่ข้างในนะดูอยู่ห่างๆแล้วหลังจากนั้นมาลูกก็เห็นว่าความสุขเนี่ยกับความทุกข์มันเหมือนเราไปกระโดดจับเอาของเข า, าใช่ใช่ทีนี้มันมันเหมือนกับว่าเราเห็น เราจับจับเงาของกิเลสตลอดเวลาเลยเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเลิกดิ้นรนนะครับ เ, ออเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้นะแต่ใจยังไม่เป็นกลางนะใจยังมีความไม่ชอบแทรกอยู่พอเสร็จแล้วใจมันก็พอเห็นความสุขมาความที่จิตมันบานออกมามันก็ไม่บาลแล้วครับออแล้วจิตที่เป็นทุกข์มามันก็ไม่มีความดิ้นรน อยู่ตรงนั้นได้ประมาณไม่นานะครับจิตมันก็ไม่เป็นกลางอีกเออนะมันไม่เป็นกลางต้องดูอีกดูจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงนะว่าจะจิตจะบานหรือจิตจะแฟบเนี่ยไม่ใช่เรานะบังคับไม่ได้แล้วก็ไม่คงที่เลยเปลี่ยนตลอดดูลงไปให้เห็นใจรักอีกทีนะถ้าจิตยอมรับใจรักได้จิตถึงจะเป็นกลางตอนนี้จิตยังไม่ยอมรอกครับขอบพระคุณครับทำอีกนะทำได้ดีอย่าขี้เกียจนะ ดูไปได้อๆปฏิบัติบูชาคุณหมายว่าไปตลอดชีวิตครสาธุนะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคุณครูคคคคบาอาจารย์มสการหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้สึกว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นแล้วก็ยังไม่ถึงฐานนะคะก็ถูกถูกแล้วเนี่ยคิดว่าสมาธิที่ทำมาเนี่ยยังไม่เป็นสัมมาสมาธิ อย่าไปคิดมากสินะไม่ถึงฐานก็รู้ไม่ตั้งมั่นก็รู้พุงสั้นก็รู้ท้อแท้ใจรู้ไหมท้อแท้นั่นแหละไปดูตัวนั่นแหละกาลังครอบงําเราการภาวนานี่ยนะเรากําลังจะหาทางพ้นจากทุกมันเหมือนไฟไหม้บ้านอ่ะไมมประตูไมมหน้าต่างไมมไปหมดแล้วหลังพวงหลังคานะต้องดิ้นรนนะเพื่อจะหาทางออกจากกองไฟนี้ให้ได้อย่ามัวท้อแท้นะทางนี้ก็ไปไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ไปนอนให้ไฟไหม้ไม่ได้นะยังไงมันต้องสู้แหละ เะันอย่าปล่อยให้ความท้อแท้ครอบงําจิตนักปฏิบัติเนี่ยถ้าท้อแท้แล้วก็แย่และมันไม่สู้แล้วนะไม่ได้ให้รู้ทันความท้อแท้เกิดขึ้นในจิตนะให้รู้ทันนะมันจะกระเด็นออกไปอยู่ต่างหากนะใจเราเข้มแข็งขึ้นมาการภาวนาต้องใช้ความเข้มแข็งความอดทนให้มากๆไม่ใช่เราทำนิด น, นหน่อยหน่อยหวังว่าจะพ้นไม่พ้นออกนะเพราะเวลาเราสะสมกิเลสเราสะสมมาตั้งนานใช่ไหมจะพ้นจากกิเลสพ้นจากโลกก็ไม่ใช่ง่ายต้องอดทนทําแล้วทําอีก อย่าท้อใจนะตอนนี้เป็นโรคที้ท้อสวนท้อเมื่อก่อนนะ่ะมีคนมาบอกหลวงพ่อวครูบาอาเนีตอนนั้นยังไม่บวชไปอยู่บุญยาวาดมาบอกหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้อาเขาทำสวนท้ออยู่ครับเราบอกเฮ้ยทำไมไม่ภาวนาไปทำมันทำไมสวนท้อแต่ภาวนานะบางช่วงมันก็อดท้อไม่ได้แต่ท้อล้วก็ต้องสู้เอานะเอ้า กับนมาสการหลวงพ่อนะคะมาส่งการบ้านเป็นครั้งที่สมนะคะก็ภาวนาไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะรู้สึกตัวนานนนะคะหลวงพ่อเป็นไงรู้สึกตัวนานนาเออเหมือนกับสติมันไม่ค่อยหายไปอะนะมันรู้สึกตัวนานนานเลยรู้สึกว่าจะติดสมถะหรือเปล่าอะไรเงรี้ยคือถ้าถ้ามันคงที่อยู่นานเนี่ยนะส่วนมากจะเป็นสมถะ หรือไม่เราก็ประคองตัวรู้ถ้าอยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้กี่วันก็อยู่ได้ทำจิตใ่ญ่ต่เกียนะมันไปประคองไว้หน่อยๆอย่างเงี้ยสังเกตไหมจิตเราขนาดนี้ไม่เหมือนจิตตอนที่เรายังภาวนาไม่เป็นนึกออกไหมจิตตอนที่เราภาวนาไม่เป็นเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกไหมจิตตอนนี้นิ่งๆ น, นะนิ่งเกินไปติดนิ่งเพราะฉะั้นถ้ามันติดนิ่งเราจะทำยังไงดี อย่าจงใจปฏิบัตินะอย่าไปเพ่งไว้คอยดูร่างกายนี้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปคอยดูใจปล่อยให้ใจมันทํางานไปตามธรรมชาติเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปล่อยให้มันทํางานไปนะอย่าไปประคองให้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉยนะติดประคองไว้นะ่ะไม่เข้าใจค่ะหลวงพ่อสังเกตไหมตอนนี้จิตขณะ น, นี้กับจิตตอนที่เราภาวนาไม่เป็นไม่เหมือนกัน ตอนที่เราภาวนาไม่เป็นอ่ะจิตวิ่งไปวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยนึกออกไหมกลับไปเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราต่างกับคนที่ภาวนาไม่เป็นตรงไหนคนภาวนาไม่เป็นเนี่ยจิตเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่เขาไม่เคยเห็นของเราเนี่ยนะจิตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่เรารู้เราเห็นอยู่นะเราไม่ประคองให้นิ่งนะนึกออกไหมอย่างตอนนี้จิตเริ่มเคลื่อนละถ้าดูตรงนี้ไม่ออกดูกายไว้ก่อน เห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะค่อยๆแยกก่อนแยกกายกับใจบางคนก็ต้องดูกายบางคนก็เริ่มด้วยการดูจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าดูจิตได้ก็ดูไปถ้าดูจิตไม่ได้มาดูกายไว้นะก็ชีวิตประจาวันก็จะรู้กายเคลื่อนไหวบางที จ, จิตใจเคลื่อนไหวเออถ้าเคลื่อนไหวใช้ได้าหายใจขที่ฟังพอเห็นหเห็นไหมร่างกายที่หายใจไม่ใช่ตัวเรา ตัวนี้ดูออกไหมรู้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่ายังแยกไม่ออกว่ามันเป็นความคิดหรือว่ามันเป็นความจริงอยู่อะค่ะเราใช้ความรู้สึกเอานะค่ะแล้วก็จะถามหลวงพ่อว่าในขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ย น, นะคะเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้เรามีความก้าวหน้าทางธรรมในจิตใจของเราหรือว่าเรากําลังติดกับดักกิเลสอยู่อะค่ะเพราะว่<ร><ร>ดู <ใน S 1> ไปสีหน<ะ>้าสิ่งที่เราติดน่ะ มันติดได้ไม่มากหรอกมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอที่จะติดอันนึงติดเพ่งภายในติดเพ่งอยู่ภายนอกนะอีกอันหนึ่งไปเกยตื้นอยู่เฉยเฉยเช่นใจเราไปปรุงความโล่งความว่างอยู่แล้วติดอยู่ในความโล่งความว่างอยู่เฉยเฉยอีกอันหนึ่งติดอยู่ในความสุขของโลกเนีย่ยติดในกามนะอีกอันหนึ่งใจของเราเนี่ยขาดศีลธรรมทุศีนอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ไปไม่รอดนะอีกอันหนึ่งเราติดเพื่อนฝูงญาติพี่น้องะ อีกอย่างหนึ่งเราติดสิ่งซึ่งไม่ใช่มนุษย์เช่นเราติดความสุขความสงบจากการภาวนาอยากจะไปเป็นเทวดาอยากไปเป็นพรมอะไรเงี้ยหรือภาวนาอยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเงี้ยติดสิ่งเหล่านี้ไหมไม่อยากได้อะไรเลยค่ะหลวงพ่อไม่อยากไม่อยากเลยใช่ไหมไม่อยากอะไค่ะก็คือจิตใจเหมือนกับมัน อยู่ในเรื่องของในเรื่องของการดับทุกข์เรื่องของการที่จะไปนิพพานทําให้แจ้งใน่าติานี้นะเดี๋ยงแค่สีดีจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ตลอดเลยเออนะเวลาวนเวียนกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้เราไปคลุกกับสิ่งเหล่านี้ดูไปเรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นนะดูกายนี้เหมือนดูคนอื่นดูจิตใจนี้เหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆใจของเรามันยังคเคล้าเคลีย์อยู่ในโลกของความคิดไม่เลิก ใจเราเค้าอยู่ในโลกของความคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ประคองไว้ด้วยนะก็สงบสงบแล้วก็เนียนเนียนนุ่มๆอย่างเงี้ยพยายามกระตุ้นตัวเองเคลื่อนไหวไว้ไปหางานบ้านทําไว้พอทำงานไปแล้วเกิดขี้เกียจรู้ทันนะแล้วก็บางทีใจก็รู้สึกไหมไม่เข้าใจสัทีเนี่ยนะท้อแท้ใจความท้อแท้ใจปุดขึ้นรู้ว่าท้อแท้ใจนะเนี่ยคอยดูใจที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ อย่าไปประคองให้มันนิ่งนะแล้วเวลาที่เรารู้สภาวะเนี่ยอย่าจงใจรู้ให้ดูสบายๆดูเหมือนเราดูละครอย่าถลําลงไปอยู่บนเวทีละครนะของคุณน้าใจมันยังถลําไปอยู่เวลารู้อารมณ์นะยังถลําไปรู้อยู่รู้สึกไหมอย่างขณเนี้ถลําไปคิดคิดไปก่อนแล้วก็รู้รู้สึกว่าคิดตามมาหรือมันมันไม่หลุดออกมาจากโลกของความมันคิดไปก่อนนะ้าใจมันเคลื่อนไปนะ แล้วตรงที่รู้ขึ้นมาเนี่ยใจมันไม่กลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวจริงๆหรอกมันยังอะไรนะอวนๆเนียนๆอยู่กับโลกของความคิดตัวนี้แหละที่ติดอยูอ่นั่นแหละตัวนี้ให้รู้ทันตัวนี้แหละถ้ารู้ทันตรงที่มันเป็นเนียนๆอยู่ตรงนั้นแหละมันจะหลุดออกมานะใจก็จะตั้งมั่นมีสมาสมาธิที่แท้ขึ้นมานะแต่ถ้าไปเนียนๆอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ ก็ให้รู้รู้อย่างที่รู้แต่กี้นี่แหละเมื่อกี้ดูออกใช่ไหมใจไปติดเอ็ความนวล น, นวลเนียนเนียนนะั้นอะถ้าถ้าถ้ารู้น่ะมันจะหลุดออกมานะแล้วถ้ามันเข้าไปติดอีกรู้อีกเข้าไปติดอีกรู้อีกฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆใ น, นสุดจิตจะตั้งมัน่นจิตตัวนี้แหละเป็นจิตที่หลวงปูด่ดูลนท่านเรียกว่าจิตออกนอกนะมันไหลออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับความนุ่มนวลเนียนเนียนอะไรพวกนั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนออกไปแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา แล้วตอนนี้จิตยังตั้งมั่นไหยคะพะ่อคะไม่ตั้งสิเพราะว่ามันจะไหลไปอยู่กับไอ้ตัวเนียนๆตัวเนี้ยนะให้คอยรู้ทันนะมันจะตั้งให้นมามนจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเต็มที่ตอนนี้ดีขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกอ่าค่ะขอบคุณค่ะพิธีาการของพ่อค่ ะ, ะปฏิบัติมาได้เกือบสองปีแล้วค่ะก็ใช้วิธีตามรู้ตา ม, ด, ามดูในชีวิตประจำวนันก็คือดูแบบ หลงคิดไปแล้วก็ดูเอพราะเป็นคนมีโทสะจริตแรงก็งะจะดูตัวนี้แล้วหลังๆมานี่จะมีกิเลสดวงคือที่เป็นเซลล์ค่ะคือหลังจากที่แบบได้ตำแหน่งหน้าที่การงานมาใหม่เนี่ยเซลล์มันก็จะเยอะขึ้นดีดีที่เห็นนะแล้วก็ออตอนกลางคืนก็จะใช้วิธีการสวดมนต์แล้วก็ดูติดตัวเองไปอ่ะค่ะ ก็ดีนะที่คุณฝึกอยู่ดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกไหมมันใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นเยอะแล้วนะเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเยอะขึ้นนะเข้าใจแล้วดีฝึกไปแล้วเออต้องมีวิหารธรรมหรือว่าทำอย่า ง, งที่เราทำเนี้ยนะเรายัางพัฒนาได้อยู่แต่ถ้าอยากช่วยตัวเองให้ไปได้ดีขึ้นมงไวขึ้นเนี่ยแบ่งเวลาไว้ทาในรูปแบบบ้าง การปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยทำให้จิตมีกำลังยิ่งคุณมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนตุ่มรั่วแล้วอันเนี้ยวันนึงเสียพลังฝึกปลือไปเยอะเลยงนั้นทำในรูปแบบนะเพิ่มพลังของจิตขึ้นมานะหมดแล้วหรือหลวงพ่อฝากไว้นิดหนึ่งนะเรียนกับหลวงพ่อนะแล้วก็ตั้งใจภาวนาเข้านะบางทีพวกเรา่อเรื่องให้หลวงพ่อโดยไม่รู้ตัวอนะินโนเซนต์อะ นะอย่างเรียนกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยไปถามครูบาอาจารย์อื่นไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนหรอกที่ท่านสอนเหมือนกันนะการสอนกรรมฐานเนี่ยเป็นงานศินละปะนะเหมือนอย่างหมอเหมือนกันหมอรักษาโรคเขาเรียกลักษาโรคศิลใช่ไหมเป็นโรคศิลหมายถึงว่าอย่างหมอเนี่ยเรียนตำราเดียวกันหมอแต่ละคนเวลารักษาเนี่อรักษาไม่เหมือนกัน อย่างบางคนเป็นมะเร็งนะหมอผ่าเลยหมอคนที่ผ่าเลยนะร่างกายอย่างสุดโทมก็ผ่าไว้ก่อนแล้วดบที่หลังอะไรเงี้ยหมอบางคนนะให้ดบให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยผ่าเห็นไหมเนะีแต่ละคนไม่เหมือนกันซ้อนกรรมฐานก็ไม่เหมือนกันบางท่านท่านทําสมถะก่อนนะแล้วท่านมาดูกายบางท่านทําสมถะแล้วมาดูเวทนาบางท่านดูจิตนะดูจิตก็มีดูหลายแบบนะบางท่านทําจิตให้นิ่งก่อนแล้วดูความเคลื่อนไหว บางท่านดูความเคลื่อนไหวแล้วก็กลับมานิ่งอะไรเงี้ยงั้นแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันละศิลปะจะแตกต่างกันงั้นเราเอากรรมฐานของครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไปถามอีกองค์หนึ่งเนี่ยสับสนตัวเราเองแหละจะสับสนภาวนามไม่ได้หรอกนะมันจะยุ่งครูบาอาจารย์ก็อึดอัดใจทุกแห่งเลยนะอย่างมาถามหลวงพ่อว่าอาจารย์ของหนูสอนมาอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกหลวงพ่อไม่กล้าพูดหรอกนะ ม, มันไม่ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉั้น เวลาเราไปหาครูบาอาจารย์อื่นเนี่ยเราไปหาความรู้นะแล้วผูกปากเอาไว้ให้ดีนะไปเรียนกับท่านหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อหาครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยไม่ได้เรียนจากหลวงปู่ดูลอย่างเดียวหรอกหาจากครูบาอาจารย์อีกจํานวนมากเลยเวลาเราไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยเราไปฟังเราไปเรียนว่าท่านสอนอะไรอะไรที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็เอามาใช้นะไม่ได้ไปคุยอวดท่านนะว่าผมเรียนกับหลวงปู่ดูลยหลวงปู่ดูลว่าอย่างนี้อย่างนี้ถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยนะ อย่างเงี้ยสับสนตายเลยวันนั้นถ้าจะไปเรียนที่อื่นนะไปฟังนะอย่าพูดมากบางคนพูดมากนะรู้นิดเดียวไปพูดเดยอะเลยทําให้สับสนไปหมดเลยนะครูบาอาจารย์ก็งงไปหมดแล้วนี่งั้นค่อยค่ยฝึกเอานะจะเรียนอจากหลวงพ่อก็ตั้งใจเรียนไปนะชอบกรรมฐานแบบไหนก็เรียนแบบนั้นไปนะมันไปก็ด้วยกันได้ทั้นนั่นแหละถึงจุดหนึ่งอะ่ะแต่เบื้องต้นเลยมันไม่เหมือนกันหรอก ว, วันนี้เราใช้เวลากันค่อนข้างกระชับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลวงพ่อป่วยอยู่นะครับช่วยกันทำงานพาดขันถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนทุกท่านนะครับกราบทำถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและฐานที่ท่านนํามาถวายกันนะครับข <c oughs> ้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับ สิ่งของเหล่านี้และเครื่องปัจจั ย, ยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลละนานเทินยดถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวะเมวาอิโตดินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิฉโต สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีตีโยวิวัตชันตตสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะภิวาฒนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง